9. ปรับพัชชูปสัมปทากรถาว่าด้วยการบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมเรื่องทรงอนุญาตภิกษุบรรพชาอุปสมบทให้กุลบุตรข้อ 34. สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายพาเหล่ากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทมาจากที่ต่างๆจากชวนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่า พระผู้มีพระภาคจักทรงให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบทในการที่ภิกษุทั้งหลายนำกุลบุตรมาทั้งภิกษุทั้งหลายทั้งเหล่ากุลบุตรผู้มุ่งบรรญชาและมุ่งอุปสมบทย่อมลำบากครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความรําพึงขึ้นในพระทัยอย่างนี้ว่าบัดนี้ ภิกษุทั้งหลายพาเหล่ากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทมาจากทิศด้านนั้นจากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคจากทรงให้พวกเขาบรรพาชาอุปสมบทในการที่ภิกษุทั้งหลายนำกุลบุตรมานั้นทั้งพวกภิกษุทั้งเหล่ากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทย่อมลำบากอย่ากระนั้นเลยเราพึงอนุญาตภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย นี้ท่านทั้งหลายนั่นแหละจงให้บรรพชาจงให้อุปสมบทในทิศนั้นๆในชวนนบทนั้นๆเถิดครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอยู่ในที่สงัดหลีเครนอยู่ที่นี้ได้เกิดความคิดคำหนึงขึ้นในใจว่าบัทนี้ ภิกษุทั้งหลายพาเรากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทมาจากทีต่ต่างๆจากชนบทต่างๆด้วยตั้งใจว่าถ้าผู้มีพระภาคจากทรงให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบทในการที่ภิกษุทั้งหลายนำกุลบุตรมานั้นทั้งภิกษุทั้งหลายทั้งเหล่ากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทย่อมลำบากยากคระนั้นเลยเราควรอนุญาตภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่นแหละจงให้บรรพชาจงให้อุปสมบทในที่นั้นๆในชวนาบทนั้นๆเถิดภิกษุทั้งหลายพึงให้บรรพชาพึงให้อุปสมบทอย่างนี้ในเบื้องต้นพึงให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและมุ่งอุปสมบทลงผมและนวดให้คล้องผ้ากาสายะให้ห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลายให้นั่งประยค ให้ประนมมือแล้วสั่งว่าเธอจงกล่าวอย่างนี้แล้วให้ว่าสารณคมดังนี้ไรสารณคมว่าด้วยการถึงพระรัตนไตรเป็นสารณะพุทธังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะธรรมังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสารณะสังคังสรนังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอ e. ถึงพระสงค์เป็นสารณะทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองทุติยัมปีธรมมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะแม้ครั้งที่สองตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สาตติตยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสารณะแม้ครั้งที่สาตติตยัมปีสังคังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะแม้ครั้งที่สภิกิษุทั้งหลายเราอนุญาตบรรพชาอุปสมบทด้วยไตรสรณคมเหล่านี้ปะพะชูปะสัมปทากรถาจบ